แนวทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุขกรณีที่สองกรณีที่ไม่สวยกรรมสุขขั้นดีเลิศได้แก่การได้สวยความสุขอิสระภายในที่เป็นสุขแท้สุขไทยอันประณีตซึ่งมีความเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวแล้วโดยที่จิตของผู้นั้นหลุดพ้นจากความฝ่ปรารถนาต่อกามาสุข ไม่โน้มมาหรือไม่วกเวียนมาหากรรมมาสุขนั้นอย่างเป็นไปเองโดยธรรมดาบุคคลเช่นนี้ย่อมหลุดพ้นจากปัญหาที่จะเกิดจากการมไปได้โดยสิ้นเชิงขั้นดีได้แก่การละกรรมมาสุขของผู้หวังจะได้และกำลังฝึก เพื่อจะได้ความสุขอย่างประณีตการละ ก, กามาสุขในกรณีนี้จะเป็นสิ่งสมควรต่อเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหน่ายกามาสุขแล้วมีความพร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประณีตต่อไปหรือแม้ยังไม่พร้อมในแง่ของความเบื่อหน่ายอย่างนั้นแต่ได้มองเห็นอย่างทราบถึงโทษของกามและแ่งเห็นคุณของสุขอิสระที่ปราณีตกว่า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 เช่นถ้าบวดเป็นภิกษุก็ลาสิกขาเสียโดยสมัครใจสำหรับผู้ทำเช่นนี้โดยสุจริตใจแม้แต่การศึกศึกบวชบวชซึ่งตามปกติก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ท่านสนับสนุนเลยสำหรับผู้ทำเช่นนี้โดยสุจริตใจแม้แต่การศึกสึกบวชบวชก็เป็นเครื่องช่วยทำให้เกิดความพร้อมจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกได้ด้วย เช่นพระจิตตาหัตถาสารีบุตรที่บวชและศึกถึงเจ็ครั้งแม้จะได้วิหารสมาบัติชั้นสูงแล้วก็ยังศึกในที่สุดแดมันลุอรหัตผลเป็นต้นขั้นสมได้แก่การลั ก, กามาสุขเนื่องจากปฏิกิริยาต่อการม แล้วล่นไปสุดทางตรงข้ามประพฤตรเข้มงวดบีบคั้นตนเองระบายความเปลี่ยดชังกามโดยเอากายตนหรือชีวิตเป็นเป้าประดมทุกข์เข้าทับถมตนการบีบคั้นตนเช่นนี้หรือการกักกดโดยขาดความหมายของความเข้าใจและฝึกฝนที่กล่าวในข้อสองย่อมกลายเป็นการเบียดเบียนตนและกลายเป็นปัญหาทางจิตอีกอย่างหนึ่ง พึงระลึกไว้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่าการไม่เบียดเบียนตนเองเป็นหลักการสาคัญเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ต้องระลึกไว้ด้วยว่าการเบียดเบียนตนเองนี้เป็นคนละเรื่องกันกับการเสียสละในเมื่อมีเหตุซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยฝืน หรือด้วยปฏิกริยาเช่นที่กล่าวนั้นพึงแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการฝึกในข้อที่สองกรณีที่ไม่สวยกรรมมาสุขขั้นดีที่กล่าวมาแล้วซึ่งในสังคมไทยได้มีประเพณีการบวชอย่างหนึ่งเรียกว่าบวชเรียนซึ่งนอกจากเปิดโอกาสแห่งการบวชสำหรับผู้พร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประณีตแล้ ว, ลวก็ให้การบวชเป็นช่องทางสาหรับ ให้การศึกษาแก่มวลชนโดยการฝึกฝนเยาวชนทั้งด้านวิชาการศิลธรรมและวัฒนธรรมเป็นเครื่องเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้บวชส่วนมากบวชตั้งแต่ยังเด็กตามความประสงค์ของผู้ปกครองเมื่อบวชและได้เรียนพอสมควรแล้วก็ตัดสินเองโดยสมัครใจว่าจะบวชอยู่ต่อไปหรือจะกลับคืนสู่เพศ ข, ขรรค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 ให้ดีที่สุดตลอดช่วงเวลาชั่วคราวนั้นวิธีฝึกโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นนี้จึงทำให้เกิดผลดีโดยไม่เกิดโทษที่เนื่องจากความกักกฎแล้วดินรนออกนอกลู่นอกทางหรือหากจะมีโทษบ้างก็เหลือน้อยที่สุดโดยในยะนี้หากยังคงรักษาประเพณีบวชอย่างนี้ไว้ก็จะต้องเปิดโอกาส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 รอมไปด้วยกันกับความสงบสุข